ต่อไปก็ศึกษาในเรื่องของอียาบทต่อนี่ยในอียาบทบับในที่กล่าวไว้ก็คือว่าก่อนที่จะหยุดไปที่บอกว่าอาการของภิกษุผู้รู้เห็นอย่างนี้เรียกว่าสัตว์เดินสัตว์ยืนเป็นต้นแล้วก็ถามบ อ, อกว่าแต่คำที่เรียกว่าเกวียนไปเกวียนหยุดก็ไม่มีอะไรที่ชื่อว่ามีการเกวียนไปหรือหยุดแต่เมื่อสารถีผู้ฉลาดเทียมโคสี่ตัวขับไป ก็จะมีเพียงแต่ว่าการเรียกขาอย่านว่าเกวียนไปเกวียนอยู่ชั้นใดกายเหมือนเกวียนเพราะอัตว่ไม่รู้เป็นรูปลมที่เกิดจากจิตก็เหมือนโคลจิตนั้นเหมือนนายสารถีเมื่อจิตคิดขึ้นว่าเราจะเดินวาโยธาตก็จะให้เกิดวิญญาตวิญญาติก็จะเกิดขึ้น การเดินเป็นต้นก็จะเป็นไปด้วยการแผ่ขยายไปของวาโยธาที่เกิดจากกิริยาของจิตจะมีแต่เพียงการเรียกขานกันว่าสัตว์เดินสัตว์ยืนสัตว์นั่งสัตว์นอนชั้นใดฉันนั้นก็เหมือนกันท่านอุปมายอย่างหนึ่งก็คือว่าเรือเนี่ยวิ่งไปเพราะอาศัยกําลังลมลูกศรวิ่งไปเพราะอาศัยกําลังของสายชั้นใดร่างกายก็ฉันนั้นเดินไปได้เพราะลมภายในพัดผันแม้ในกายนี้ ที่ในช่างคือตัณหาประกอบไว้เดินยืนนั่งด้วยอํานาจของสายชักคือจิตเหมือนหุ่นยนต์เคลื่อนไหวได้ด้วยอํานาจของสายชักในเรื่องนี้จะมีสัตว์อะไรนอกจากเหตุปัจจัยที่ยืนเดินเป็นไปด้วยอนุภาคมันตรงนี้ที่ท่านยกตัวอย่างจะบอกกายเหมือนเกวียนเพราะอาจจะว่าไม่รู้รูปไม่มีเจตนารูปไม่รู้อารมณ์จิตตชวาโยธาตเป็นรูปเหมือนโคที่ลากเรียนรูปก็ไม่มีเจตนารูปก็ไม่รู้อารมณ์ ทำไมใ น, ปปนในด้านของรูปกายเนี่ยในด้านเองียาบทยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นเนี่ยเป็นรูปขันรู ป, ปกายเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกับเวีย น, น, นั่นเองส่วนจิตตะชวายโยธาที่เป็นปัจจัยให้ยยาบทมีการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเกิดขึ้นได้เนี่ยอันนี้เหมือนโคได้่ขวิดเทียมเวียนอยู่อ้าวแล้วอะไรล่ะเป็นปัจจัยทําให้โคเดินเป็นต้นไปได้ก็คือนายสารถีใช่ไหมถ้าเวียนนั่นก็อยู่เฉยเฉวันเนี้ไม่มีอะไรพอโคมาเทียมโคนั้นถ้าไม่มีคนคอยบังคับโคก็ไม่เดิน นั้นนายสารถีนั้เหมือนจิตโคนั้นเหมือนวายโยธาตเกวียนนั้นเหมือนกายเหมือนกรัชกายเหมือนร่างกายนั้นกายของคนเราเนี่ยที่สามารถไปทําจิตในการเดินในการยืนในการนั่งในการนอนเป็นต้นได้กายนั้นเพราะมีลมอ่ะพัดผันในกรัชกายอยู่ถ้าพัดผันไปในอวัยวะเก่าวคือมือเป็นต้นมือก็เคลื่อนไหว สะพัดผันไปตามอวัยวะมีขาเป็นต้นขาก็มีการก้าวเดินไปข้างหน้าเป็นต้นทีนี้เราเรียกว่าเดินเนี่ยก็ทํากายนั้นให้ให้ตรงก่อนแล้วก็ทํากายท่อนบนนั้นให้โน้มไปข้างหน้ากายท่อนล่างที่สมมุติเรียกกันว่าขาเป็นต้นก็มีการก้าวไปก็เรียกว่าเนี่สัตว์เดินแล้วเพราะงั้น<า>เรียกว่าเดินแล้วยืนก็เหมือนกันตั้งแต่ศตรีรษะจรวดเท้าเนี่ยตั้งตรงตั้งตรงอย่างนี้เรียกว่ายืนเราจะไปบัญญัติว่าเป็นรูปยืนคนยืนสัตว์ยืนอะไรก็แล้วแต่เ แต่ให้รู้ว่านั่นเป็นสมมติบัญญัติกันขึ้นมาเจโดยอาการก็คือว่าหนึ่งมีจิตที่คิดจะยืนมีธาตุลมที่พัดผันในภายในและทําให้อยาบทนั้นตั้งตรงอยู่นั่นคือยืนแล้วาถามว่ารู้แค่จิตที่คิดรู้แค่วายโยธาตรู้แค่อยาบทแค่ยืนแค่นั้นใช่ไหมบอกว่าไม่ใช่แค่นั้นแต่การรู้ในลักษณะอย่างเนี้ยท่านบอกว่าภาลชนทั่ ว, วไปท่านไม่รู้ท่านไม่รู้หรอกคนทานทั้งหลายไม่ทราบว่าไงเพราะบัณฑิตเท่านั้นที่รู้ได้ และบัณฑิตที่ยูร้รได้เพราะว่าบัณฑิตนั้นฟังคำสอนจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าววอิยะวดยืนไหยืนก็รู้ชัดว่าบัด น, นี้เรายืนอยู่เดินบัด น, นี้ก็รู้ชัดว่าเราเดินอยู่นั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งอยู่นอนก็รู้ชัดว่าเรานอนอยู่แต่คำว่าเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนนั้นเป็นสมมุติวหารที่ชาวโลกเรียกขานกันและคนส่วนมากเรียกขานกัน แต่เราต้องไปเจาะไปพิจารณาบอกว่าอาการที่จะเดินได้เนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งมีนามขันที่เรียกว่ามีจิตเป็นประธานนั่นแหล ะ, ละมีจิตเป็นประธานในขณะที่จิตเป็นประธานนั้นก็มีเวทนาขันสัญญาขันสังขารละขันเป็นต้นใช่ไหมเกิดขึ้นแต่ว่ามีวิญญาณขันคือจิตนั่นแหละเป็นประธานที่เขาบอกว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนยาเป็นต้นเนี่ยบอกว่าจิตเนี่ยเป็นประธานจิตนี่เป็นใหญ่ใช่ไหม ถ้าจิตดีแล้วเนี่ยการทําการพูดการคิดก็ดีเป็นต้นเนี่ยก็แปลว่าตัววิญญาณขันเนี่ยเป็นประธานตัวเวทนาสัญญาสังขารละขันนั่นน่ยก็เกิดร่วมนั่นะอยู่ในฐานะเกิดร่วงประธานเกิดร่วมกับจิตนั้นถ้าจิตคิดจะเดินแล้วเนี่ยเวทนาขันสัญญาขันสังขาระขันตัวปรุงแต่งเนี่ยไอเวทนาขันก็เสวยก็มีความรู้สึกสุขทุกเฉยๆเป็นต้นสัญญาขันก็จำใช่ไหมจำว่าเออเราจะไปทําอะไรเป็นต้น ไอตัวสังขาระขันก็ุงแต่งปุงแตง่ ง, แตงจิตที่คิดจะเดินเป็นต้นให้มีปริมาณมากขึ้นใช่ไหมทีนี้พอจิตคิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตนั้นทําอะไรทําจิตแต่ชาวายโอธาต์คือธาต์ลมนั่นเองก็พัดขันไปในกระดชากายก็ตาให้มีว่าท่อนกายท่อนบนโน้มไปข้างหน้ากายท่อนล่างมีวัยว่ากล่าวพื้นขาเป็นต้นมีการก้าวไปเราก็มาเรียกว่าเราเดินพระดยจาบอกประชานาติบอกให้รู้ชัดรู้ชัดอียาบทเดิน ซึ่งท่านอุปมาว่าเหมือนเหมือนเกวียนเนี่ยรูปกายที่เดินไปอ่ะคำว่าเดินเนี่ยไม่ใช่แค่ขาอย่างเดียวนะที่เดินเนี่ยใช่ไหมกายท่อนบนก็เคลื่อนไปด้วยเข้าใจไหมไม่ใช่ไปเข้าใจว่าดูที่อาการก้าวเท่านั้นไม่ใช่ที่เออมาดูแค่อาการก้าวเท่านั้นมันใช่ที่ไหนเพราะท่อนบนเคลื่อนไปด้วยไหมตั้งแต่ศีรษะกิลดเท้าเนี่ยมีการเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยใช่ไหมใช่ฉะนั้นการเดินนั้นไม่ใช่แค่ขาไม่ใช่มีขาแล้วเดินได้ไม่ใช่มีส่วนหนึ่ง มีทุกส่วนของร่างกายนั่นเองนั้นการเดินเนี่ยก็คือการที่กระชกายมีการก้าวมีการเคลื่อนไปเรียกว่าสัตว์เดินเรียกว่าคนเดินเรียกว่าหญิงเดินเรียกว่าชายเดินอะไรยังน่าเรียกว่าเดินแล้วทีนี้กายเน่เหมือนเกวียนกายเหมือนเกวียนที่เคลื่อนไปอ่ะวายโยธาที่ทำให้กายเคลื่อนไปได้เหมือนโคสี่ตัวเทียงเกวียนลากเกวียนจิตที่คิดจะเดินเน่เหมือนนายสารถีที่ขับเกวียนใช่ไหม ที่คอยบังคับโคอ่ะให้หยุดให้เดินเน่ยมีการกระตุกมีการตีเป็นต้นให้โคเดินไปได้แล้วก็ลากเวียนไปเป็นต้นถ้าวาโยธาตไม่พัดผันกายเดินไปได้ไหมไม่ได้นั้นาวายโยธาตไม่มีการเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไม่ได้ทีนี้วาโยธาตเคลื่อนไม่ได้เลยนะถ้ามีนีจิตคิดจะเดินนะ ถ้าจิตคิดจะเดินวายโยธาจึางเคลื่อนไหวเพราะวาโยธาตเคลื่อนไหวอ่ะเป็นละลอกเป็นต้นเนี่ยก็พยุงกายนั้นใองเคลื่อนไปก็เหมือนวันวเหมือนโควัวเหมือนโคสี่ตัวถ้าหากว่านายสารถีดึงเชือก บ, บอกให้หยุดเกวียนก็หยุดอ่าถ้าจิตคิดว่าหยุดวายโยธาจะนิ่งก็หยุดถ้าจิตคิดว่าจะเดินวาโยธาตก็ใช่ไหมทํากายนั้นใองเคลื่อนไป รู้แบบเนี้แปลว่าการรู้ในคําสอนเริ่มชัดแล้วฉะนั้นถ้าไปบอกว่าเอ้าเดินอย่างที่คุณโยมถามตอนเช้าบอกว่าเดินเดินก็รู้รู้รูปเดินเนี่ยพอไหมแค่นั้นพออย่างพอไหมว่าเดินรู้รู้รูปเดินเนี่ยพออย่างมันไม่พอแค่นั้นเพราะไม่ใช่แค่รูปอย่างเดียวนะไม่แค่รูปปัจจัยอย่างเดียวเท่านั้นนะต้องรู้ด้วยว่าเออมีวาโยธาขับเคลื่อนเนะ มีวายโยธาภายในกับเคลื่อนนะ่นกายนะั้นจิงเคลื่อนจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งได้ทีนี้การเคลื่อนจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งได้นั้นวายโยธาขับเคลื่อนทีนี้วายโยธาตที่จะขับเคลื่อนได้นะ่ะจิตเนี่ยสําคัญมากใช่ไหมเหมือนกันนายสารถีสําคัญมา ก, มา ก, มากนายสารถีบอกหยุ์เนี่ยดึงเชือกเนี่ยไอ้โคต้องหยุดถ้ารกระตุกตีบอกเดินเนี่ยโค ก, ก, ก็เดินเพราะโคเดินน่ยมันไม่ได้เดินแต่โคเนี่ยลากเวียนไปด้วย ที่วายโยธาพวกเคลื่อนเนี่ยไม่ได้เคลื่อนแต่วายโยธาพยุงดินน้ําใบลมที่เกิดจากจิตดินน้ําใบลมที่เกิดจากกรรมดินน้ําใบลมที่เกิดจากจิตอุตุและอาหารใช่ไหมทำธาตุที่เกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากอุตุเกิดจากอาหารไปด้วยตัวเคลื่อนจริงๆเนี่ยคือจิตแต่ชาวาโยธาต ค, คือวายโยธาที่เกิดจากจิตใช่ไหมทีนี้วายโยธาที่เกิดจากจิตเนี่ยวายโยธาแต่เนี่ยเป็นรูปก็จริงอยู่ แต่ว่ามีจิตนั้นเป็นประธานอยู่แ ต, ตรงนี้เนี่ยว่าเมื่อวายโยธาจิตแตชาวายโยธาตเคลื่อนก็ท้อยให้รูปที่เหลือเคลื่อนไปด้วยทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นพอไปดูว่าจิตแล้วเนี่ยไอ ي, เจตนานิสิที่ได้กล่าวไว้เนี่ยเจตนาที่ในโลภะเจตนาที่ในโทสะเจตนาที่ในโมหะเจตนาที่ในมหกุศล เป็นปัจจัยในการยืนเดินนั่งนอนฉะนั้นเจตนาในการจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนกําลังยืนเดินันั่งนอนเป็นต้นเนี่ยเจตนานั้นอะเป็นกรรมแล้วเป็นกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเพราะบอกเป็นกรรมเนี่ยเป็นทั้งทิฏฐาธรรมเวทยนิยกรรมเป็นทั้งอุปเชาเวทยนิยกรรมเป็นทั้งอัปปราปราเวทยนยกรรมด้วยมาเป็นหรือไม่เป็นต้องบอกเป็นใช่ไหมเพราะในขณะที่เราเดินแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเจตนานั้นเป็นไปหมดเลย เป็นทั้งกุศลกรรมก็ได้เป็นทั้งอกุศลกรรมก็ได้ถ้ามาไข่ควรวนตรงนี้ดูเนะโอ้เราทํากรรมกันทุกขณะเลยเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในียาบทไหนเรายืนเดินนั่งนอนทํากรรมกรรมสำเร็จเดินเสร็จหมดนั้นตรงนี้นี่แหละที่ว่าเป็นปัจจัยค่อนข้างสําคัญมากว่าถ้ารู้ชัดียาบทรู้ชัดวาโยธาตรู้ชัดเจตนาในการที่จะเดินถ้าเราลงสู่ปัจจัยนะในกลุ่มที่ศึกษาปัจจัยมาดีเนี่ยถ้าเจตนาเนี่ยอยู่ในสาสาตร์ชาติเล็ก เจตนาเจตนากรรมเนี่ยเจตนาเนี่ยอยู่ในสาชาติชาติเลยพอยกเจตนาขึ้นมากล่าวพวบเนี่ยสาชาตา่ส า, า, ต า, าสาชาตานิสยาสาชาติติสาชาตาวิกต์อยมาแล้วอัญญาอัญญาเนี่ยมาแล้วเห็นไหมว่าในกลุ่มของกรรมปัจจัยเป็นต้นเนี่ยจะเป็นไปตามลําดับในขณะที่เดินเลยเดินเป็นต้นเนี่ยนะฉันบอกว่าเป็นกรรมไม่เป็นฉันเจตนากรรมที่กล่าวที่ที่ที่ที่ดูในรักตัวนั้เนี้ย พอมองจากเจตนากรรมปุ๊บเนี่ยเป็นมองดูเหตุสิท่นี้ถ้าเจตนากรรมในโลภะเอามีอะไรเป็นเหตุอะโลภะเหตุเห็นไหมมีโลภะเหตุอีกแล้วเล็กเข้ามาอีกแล้วถ้าเจตนากรรมที่ในโทสะเอาโทสาเหตุมาแล้วในโลภะเหตุโทสาเหตุมีมัวเหตุคุมอยู่เบื้องหลังเห็นไหมหรือในเจตนากรรมในการที่เดินด้วยความสงสัยด้วยความคุ้งซ่านเป็นต้นอะโมหะเหตุมีมัวเหตุ เราดูอย่างนี้จะเห็นได้ชัดว่าโอ้โหเป็นปัจจัยที่ปัญหาว่าเราจะสาวถึงปัจจัยตรงนั้นหรือไม่การจะสาวถึงปัจจัยตรงนั้นหรือไม่เนี่ยมันจะต้องรู้ว่าหนึ่งรู้ปัจจัยของนามเลยลูกเราอย่างตัวเนี้ยทีนี้ปัใจจัยในการยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นถ้าเรารู้ว่าเจตนานี่หมเป็นเจตนาเนี่ยในขณะที่เขาเกิดขึ้นน่ยเป็นสหาชาตปิปัจจัยนะปัจจัยที่เกิดร่วมทีนี้ว่าในขณะที่ทำกรรมลงไปมันเป็นอะไรเป็นนา น, นาชนิกากรรมะปัจจัย เพราะเจตนากรรมนั้นดับลงไปแล้วในชาวนะในขณะที่เดินในการยืนนั่งหรือนอนเป็นต้นเนี่ยเจตนากรรมเหล่านะั้นไม่ดับไปเฉ ย, ยๆมีผลมีผลรองรับที่ในอนาคต ด, ด้วยฉะนั้นทุกเจตนาที่เกิดขึ้นในชาวนะเนี่ยหนึ่งสองสามเล้ยวเกียรที่เกิดขึ้นแล้วขับเคลื่อนทําให้อียาบทเป็นไปเนี่ยจิตที่คิดที่เหมือนกับนายสาราถีที่คอยกระตุกให้โคเดินเนี่ย พคก็เดินไปแล้วก็ลากเวียนไปด้วยเนี่ยมีเจตนานั้นตัวจิตทิศแต่ละครั้งนี่แหละมีเจตนาบวกร่วมด้วยใ น, น, นขณะนั้นก็เป็นกรรมสัตว์โลกทั้งหลายกินทํากรรมไม่หยุดหย่อนในยาบทนั้นนั้นถ้าตราบใดยังมียาวดยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นเป็นไปอยู่สัตว์โลกนั้นก็ชื่อว่าทํากรรมทั้งกุศลกรรมบ้างอกุศลกรรมบ้างอกุศลกรรมก็ให้ผลเป็นทุกข์กุศลกรรมก็ให้ผลเป็นสุขใช่ไหมสังสารวัตมันก็ไม่หยุด เขาเรียกว่ากรรมเก่าก็รับไปกรรมใหม่ก็ทําเพิ่มแล้วมันก็ไม่จบไม่สิ้นสังสารวัตรมันก็ยาวงานอย่างเงี้ยฉะนั้นเราเดินมาในสังสารวัตรเนี่ยนะชมภูทวีปนี่เดินรอบแล้วเดินรอบแล้วในสังสารวัตเนี่ยหรือในในมนุษย์ภูมิก็เดินมาไม่รู้กี่ร้อยรอบในอบายภูมิก็วิ่งมาไม่รู้กี่ร้อยรอบในเทวภูมิก็วิ่งเดินนั่งนอนมาไม่รู้กี่ร้อยรอบในพรหมภูมิก็เดินวิ่งเดินมาไม่รู้กี่ร้อยรอบ ถ้าต้องบอกว่าไม่เบื่อนงยาบทหรือไงไม่เห็นทุกข์ทษัตรูยาบทหรือไงใช่ไหมน่าจะเบื่อไงกันได้แล้วถ้าหากพิจารณาตามหลักของกรรมที่ทํามาในยาบทยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นการพิจารณาอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นไฟเห็นพบสามประดุจจังไฟไหมเห็นการมมาพบรูปมาพบอรูปมาพบเนี่ยที่เรายืนเดินนั่งนอนมาเนี่ยยังก็ไฟไหมแล้วทํากรรมมาจ น, นช่ำชองหมดแล้วทั้งขุสรกรรมมาขุสรกรรม แล้การรมเหล่านั้นเป็นวัตถามินีกุศลหมดเลยนะเป็นกรรมที่เป็นไปในวัฏฏะหมดเลยไม่ได้ตั้งอัธยาศัยในการที่จะออกจากเอียาบวยืนเดินนั่งนอนเลยทํากรรมไปเพื่ออะไรเพื่อจะได้อียบวยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นนั้นเราพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นว่าโอ้อียบวตย์นี่เป็นทุกข์นี่ใช่ไหมเอียบวนี้เป็นทุกข์เพราะว่าตราบใดที่เรายังยืนเดินนั่งนอนเนี่ยไม่พ้นไปจากชาติทุกข์ชราทุกข์มดแล้ะทุกข์ และความโศกความร่ำไรําพันความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการทำกรรมในยาบทนี่เองถ้าถามว่าในขณะที่ฟังว่าทำอยู่ชิวมาทำกรรมเนี่ยใช่ทำกรรมในยาบทนั่งดีไม่มทํากรรมในทํากรรมประเภทไหนทําภาวนากุญศรแต่ภาวนาบุญศรอันเนี้ยเราตั้งอัธาายาสัยเอาเป็นปันใจจัยในการท้นทุกข์ทีนี้เมื่อจิตเกิดขึ้นว่าเราจะเดินวายโยธาก็ขอให้เกิดกายวิญญาตการเดินไปก็โดยการแผ่ขยายไปขอ้งวายโยธาที่เกิดจากจิต อันนี้เป็นวัวหางที่สมมุติเรียกขาหงันเท่านั้ น, นที่เราว่าเราเดินสัตว์เดินเรายืนสัตว์ยืนความจริงแล้วเรื่องการเคลื่อนไหวของร่างกายนะเป็นไปด้วยอาการอย่างนี้กายเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีเจตนาแต่สําเร็จเป็นยาบทได้ก็โดยการแผ่ขยายไปของวายโยธาที่เกิดจากจิตเหมือนเรือใบที่แล่นไปก็เพราะกําลังของลมเหมือนลูกศรอัตขาตั้งขยายอย่างนั้นนะ เหมือนลูกสอนที่แล่นไปได้เพราะกําลังสายของธนูชั้นใดเอาดูเรือใบเนี่ยแล่นไปได้เพราะมีลมใช่ไหมพอชักใบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยลมพัดก็พัดเรือวิ่งไปแล้วลมก็ชับเรียกไปไอ้ลูกธนูลูกศรนเนี่ยแล่นไปได้เพรา ะ, ราะสายของธนูร่างกายก็เหมือนกันกิริยาการต่างๆเนี่ยเป็นต้นเนี่ยจะเป็นไปได้เพราะลมภายในพัดผันในเรื่องนี้จึงไม่มีสัตว์อะไรอะไรนะที่เรียกกันว่ายืนหรือเดินได้ด้วยอุปภาคของตนเอง นอกจากอาศัยเหตุปัจจัยเนียนอกจากสาเหตุปจัจจัยฉะนถามว่าในอภังจิตเนี่ยจิตกับกายเนี่ยต้องอาศัยซึ่งกันและกันที่บอกว่าความต่างกันของจิตแต่ชาวโยธาและความต่างกันของจิตในการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยวาโยธาตต่างกันเพราะอะไรเพราะพาะยุโยคาวาจรกําหนดรู้อิยาบทเป็นไปได้วยเหตุและปัจจัยเท่านั้นฉะนั้นอิยาบทต่างๆเนวาโยธาตเป็นปัจจัย กำหนดรอบรู้ต่อไปอกว่าโยธา f นั้นอาศัยปัจจัยก็คือจิตเมื่อรอบรู้อย่างนี้ก็ทราบบอกว่าพระโยคาวจรนั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามพุทธพจน์พุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งเมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอนนั้นให้รู้เหตุปัจจัยของเขาอย่างเนี้ยชื่อว่าเป็นไปตามพุทธประสงค์เริ่มเริ่มจะเข้าสู่ตามพุทธประสงค์ว่าเออเนี่ย การยืนการเดินการนั่งการนอนเนี่ยมาจากจิตที่ต่างกันนะอย่างยกตัวอย่างที่ว่าที่ยกตัวอย่างว่าเรือไอยกตัวอย่างเช่นในเวียนเน่ยเวียนโคแล้วในสารถีอ่ะฉะนั้นในอียบทก็เหมือนกันในการเอียบทยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมีปัจจัยต่างๆกันออกไปนี้ปัญหาก็คือว่าบางครั้งเนี่ยยกตัวอย่างเช่นการเดินเนี่ยบางครั้งต้องอาศัยอารมณ์ไหมบวกชองเช่นเห็นรูปารมณ์แล้วปรารถนาจะได้สิ่งนั้นเห็นพบอยากจะไปหยิบก็เดินไปหยิบเนี่ย ใช่ไหมอาศัยหนึ่งอารมณ์ปัจจัยก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยฉะนั้นถ้าหากว่าพิจารณาอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสโดยรวมที่บอกว่าหุ่นกระบอกเดินได้ต้องอาศัยสายชักสายชักก็ต้องอาศัยคนชักคนชักก็ต้องอาศัยเสียงดนตรีเสียงดนตรีเป็นปัจจัยที่สําคัญทําให้คนชักหุ่นกระบอกชักไปตามจังหวะของดนตรีไอหุ่นกระบอกก็เคลื่อนไหวเร็วบ้างช้าบ้างไปตามเสียงของดนตรีด้วย แม้ดนตรีจะบะเบรลงได้ก็ขึ้นกับปจัจจัยอื่นอีกเหมือนกันชีวิตก็เช่นเดียวกันนะประกอบไปด้วยยาบทโลดแล่นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามอานาจของกิเลสตัณหาเปลี่ยนไปตามเหยื่อของมารตรงมาหาสาระแก่สานไม่ได้ถ้าบอกสายชักเนี่ยต้องอาศัยคนชักไอ้คนชักก็าสายเสียงดนตรีไอ้คนชักหุ่นก็บอกเห็นไหมไอ้หุ่นก็บอกอยู่เฉยจะมีสายอ้สายชักอ่ะ พอคนไปจับสายชักเนี่ยเออหุ่นกระบอกก็มีท่าทางต่างๆกันออกไปมีไล่ลำเป็นต้นมีเดินล้งยกแค่งยกขาเป็นต้นเนี่ยนะแต่คนที่ชักได้เนี่ยต้องอาศัยดนตรีนะมีดนตรีประกอบตามจังหวะาจาับโคดไปลักษณะนี้ก็เป็นการจิตเนี่ยจิบคิดขึ้นมาวา่าโยธาจะตั้งขึ้น บางทีก็ปารบอะไรปารบรูกบ้างปารบเสียงบ้างปารบกลิ่นบ้างปลารบรสปารบสัมผัสเป็นต้นอะไรเี้ก็เป็นไปตามจังหวะแต่มีใครอยู่เบื้องหลังตั้หามานะทิชชี่นะปะภายเราโลดแล่นเต้นไปเป็นธาตุเป็นเหยื่อมารไปมารก็หลอกหลอกเราไปบังเออเนี่ยถ้าได้บ้านสักหลังนะถ้าคุณจะสบายว่างั้นเอาสินี้ตั้หาก็หลอกแล้วตั้หาก็หลอกเพราะตั้หาหลอกขึ้นมาก็เต้นแรงเต้นกาใช่ไหมตั้หาโอ้โเอาเลย ปอบใจเราใหญ่ว่าเออเนี่ยถ้าเรามีบ้านสักหลังเราจะมีความสุขใช่ไหมถ้ามีลูกสักคนนะาจะดีมีสามีมีลูกเออมีลูกมาแล้วลูกเรียนจบลูกเรียนจบมาแล้วลูกแต่งงานทําลูกแต่งงานทํามาแล้วเดี๋ยวลูกแต่งงานลูกแต่งงานมาแล้วเดี๋ยวลูกมีลูกอีกเลี้ยงล้านเนี่ยมันหลอกอะไรเงี้อใยาบทกรไล่ล้ำทําท่ากันไปเห็นนิยังเห็นมารมันหลอกเงี้ยเออพอพอพูดถึงตรงนี้นึกถึง นั้นพอทําทําให้เด็กถึงคําโครงโบราณนี้ก็พูดกันอะไรนี้ที่บอกว่าโลกนี้เหมือนโรงละครที่บอกว่ามีไล่ล้าลำทำทีท่าบางคราวก็สุขบางคราวก็ทุกข์มีล้าง ม, ม, มีละมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลาเลย <c oughs> มีอะไรเลยเต้นแร้งเต้นกาไปตามกิเลสหนาใช่ไหม <c oughs> มันมีมันมีกิเลสมานเนี่ยนะกิเลสมานขันธมานเป็นต้นเหล่าเนี้มาแล้วแต่เนี้ เต้นแรงเต้นกากันบางคราวแสดงเป็นยักษ์เป็นมารบางครั้งก็แสดงเป็นผู้เอกนางเอกอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยละครลงนี้ก็จอกอีกนะชีวิตก็ลาออกไปปฏิสัมพันธ์ใหม่อีกแล้วก็ไปเต้นแรงเต้นกากันอีกแล้วอยู่เนี่ยเรื่องโดนหลอกตลอดใช่ไหมให้สังเกตด้วสมัยเด็กๆไนงะพ่อแม่ก็บอกลูกเลยขยันเรียนนะโตเป็นจะสบายเราก็เชื่ออยู่เนี่ยนะเราก็เชื่อเอาไปเรียน เ, เรีย น, เ ร, ยนเรียนมาโอ้โหเรียนแย่ๆเลยก็มาทําพอได้งานเสร็จเราโอ้ยเกิดไม่อไม่หาหาสบายไม่หะไรที แม่ก็บอกแล้วลูกแต่งงานได้ลูกแต่งงานมีครอบครัวว่างั้นนะอา่าแต่งงานมีครอบครัวถ้าวพอมีครอบครัวเบ็ดเสร็จตัวเนี้ยมันเคยสบายแล้วก็มีลูกลูกเยอะเลี้ยงเราว่างั้นนะอา้าอีกแล้วเดี๋ยวี้พุทธพจน์ในอียบทบับเนี่ยบอกว่า ท, ท่านตรัสว่ายาถายาถาวาปนัสกาโยเป็นี่โตโหติแตท้าแตท่านางประชานาติก็ปแปลว่าเธอตั้งกายไว้ด้วยอาการอย่างใดอย่างใดก็รู้ชัดอาการอย่างนั้นอย่างนั้นใช่ไหมคำว่ายาถาวาปนัสกา กายโยปะนปันนิหโโิตโหติสถานสถานางประชานาติว่าแปลว่าเธอตั้งกายไว้ด้วยอาการอย่างใดอย่างใดก็รู้ชัดอาการอย่างนั้นอย่างนั้นคํานี้อสัจถาท่านบอกว่าเป็นการประมวลอียาบททุกอย่างไว้ด้วยกันต้องรอบรู้ทั้งหมดต้องรอบรู้ก็คือว่ากายของเธอสถิตคือตั้งเป็นอียาบทอยู่แล้วเกิดจากวาโยธาตเกิดจากจิต นั้นเรียกว่ากายของเธอสถิตตั้งอยู่แล้วด้วยการอย่างใดอย่างใดใช่ไหมนั้นกายที่สถิตตั้งอยู่เนี่ยมันเกิดจากวายโยธาก็ให้รู้ว่าวายโยธาเนี่ยเป็นปัจจัยแก่กายนั้นตั้งอยู่ในยาบทนั่งกายนี้อยู่ในยาบทนอนอ๋อวายโยธาเนี่นเป็นปัจจัยแก่ให้กายนี้ตั้งอยู่ในยาบทนอนก็ให้รู้ กายนี้ต oh, ั้งอยู่ในยาบทยืนโอวาโยธาต์นั้นเป็นปัจจัยแก่การทําให้กายนี้ตั้งอยู่ในยาบทยืนก็ให้รู้ชัดกายนี้ตั้งอยู่ในยาบทเดินก็ให้รู้ชัดว่าวายโยธาเป็นปัจจัยแก่กายนี้ตั้งอยู่ในยาบทยืนเดินด้วยและก็ต้องรู้ด้วยรู้อะไรรู้ชัดในว่าจิตเป็นปัจจัยแก่วาโยธาต์นั้นๆด้วยและรู้ชัดไปกว่านั้นก็คือว่ารู้ชัดจิตอะไรด้วยใช่ไหม จิตอะไรด้วยว่าจิตบ for ุญหรือจิตบาปเป็นต้นหลังเนี้ยที่เป็นปัจจัยแก่วาโยธาวาโยธาเป็นปัจจัยแก่ยาบทนั้นๆน่ยให้เข้าไปรู้ชัดแยกแยกออกระหว่างอันนี้เป็นส่วนของอยาบทอันนี้เป็นส่วนของวาโยธาตอันนี้เป็นส่วนของจิตที่คิดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเป็นต้นด้วยรู้ชัดกายที่สถิตโดยการที่ว่าเดินว่ากําลังเดินรู้ชัดว่าที่กําลังยืนว่ากําลังยืนรู้ชัดว่าที่ดารงอยู่ในการนั่งว่ากําลังนั่ง รู้ชัดที่ดำรงอยู่ด้วยการนอนว่ากําลังนอนด้วยปัจจัยอะไรด้วยปัจจัยอะไรรู้ด้วยเห็นไหมด้วยเหตุปัจจัยด้วยอารมณปัจจัยด้วยอะไรก็สหาชาตปัจจัยเป็นต้นต้องต้องรู้ปัจจัยตรงนั้นด้วยถามว่าเอ๊ะถ้าถ้าไม่รู้ล่ะถ้าไม่รู้ยกตัวอย่างเช่นว่าสหาชาตปัจจัยเนี่ยเออย่างเจตนาอยู่ไหมเจตนาที่เกิดขึ้นเนี่ยเออถ้าไม่รู้ว่าโอ้ทีนี่เป็นกรรมมะ ถ้าไม่รู้อย่างนี้จับสังวรระวังไหมใช่ไหมการการบาปจะไม่เกิดขึ้นหรือการเจริญกุศลก็จะไม่มีในขณะที่ใช้อยาบทนั้นๆเป็นไปอยู่ฉะนั้นต้องรู้ด้วยว่าตอนนี้โลภนะเป็นโลวะเหตุนะต้องรู้ตอนนี้โกรธนะเป็นโทส่าเหตุเกิดขึ้นต้องรู้ต้องรู้นะตอนนี้หลงนะเป็นโมหะเหตุเนะี่ยต้องรู้ใช่ไหมถ้าไม่รู้อย่างนี้นะ่ะถามว่าจัก บ, บริสุทธิ์ได้ยังไง ในยาบทนั้นะนะอะยาบทเดินยืนนั่งนอนจักบริสุทธิ์ได้ยังไงถ้ามีตัณหามาณนะทิฐิอาศัยแอบอิงอยู่ในยาบทยืนเดินนั่งนอนได้ไไดไหรือ่อาจารย่าจถ้าไม่ชําระขัดหรือถ้าไม่ขัดเกลีอ่ะโดยภาษาเราที่พูดกันโดยทั่วไปว่าขัดเกลีอียาบทที่จริงขัดเกลายจิตเนี่ยแต่เวลาพูดเนี่ยเวลาพูดสิ่งหนึ่งอ่ะใช่ไหมพูดอีกอย่างหนึ่งหมายถึงอย่างหนึ่งเนี่ยต้องเข้าใจนะพูดอย่างหนึ่งหมายถึงอย่างหนึ่งอย่างยกตัว อ, อย่างเช่นคําพูดว่า ป่าไผ่ถามว่ามีแต่ต้นไผ่ทั้งหมดหรือเปล่าไม่เช่นนี้แต่ป่าไผ่หรือต้นไผ่ทั้งหมดใช่ไหมแต่อาศัยว่ามีต้นไผ่เป็นจำนวนมากเขาเรียกป่าไผ่ดงไผ่ใช่ไหมอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ก็เหมือนกันว่านั้นเวลาที่เรารู้ปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรู้เป็นจํานวนมากนะได้เปรียบในการที่จะละไม่ใช่ว่าจะไม่รู้ละเอียดละอ้อ้ะจนทั้งหมดไม่ใช่ถึงขนาดนั้น แต่เพียงว่าการรู้ยิ่งมากยิ่งเป็นประโยชน์แก่การขัดเกลารึเป็นอย่างนั้นตามสติกําลังที่จะเป็นไปได้ทีนี้ว่าต้องรอบรู้ต้องทําปริญญาต้องวิเคราะห์ปัจจัยทั้งหมดสรุปก็คือว่าอยาบทวาโยธาและจิตเนี่ยต้องรอบรู้ต้องรอบรู้อะต้องรอบรู้ด้วยยาตัปริญญาตีรลยปริญญาเป็นต้นอยกตัวอย่างเช่นนี้ทำไม่ยกตัวอย่างบางทีแกะยากกันนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ี่ เราต้องรอบรู้ไหมยกตัวอย่างเช่นว่าเอาในขณะที่เดินเน่ยเดินด้วยโลภะใช่ไหมถ้าเดินได้โลภะเนี่ยโลภะตรงนั้นกําลังดําเนินไปอยู่มีเจตนาไม่มีแน่ น, นอนนะเป็นอุศโสกรรมไม่เป็นเอาเป็นโลภะเหตุโลภะเหตุก็เป็นปัจจัยไปเพรนปัจจัยแก่อะไรเป็นปัจจัยแก่จจกลโลภะจิตไอโลภะเหตุนั้นเป็นเจตสิกธรรมก็เป็นปัจจัยแก่โลภะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เหลือใช่ไหม โลภะโลภเจตสิกเนี่ยเป็นสังขารขันธ์ทีนี้ในโลภะจิตเนี่ยนะในโลภะจิตนั้นมีสังขารขันธ์อย่างอืนเกิดร่วมด้วยแต่มีโลภเจตสิกเนี่ยเป็นเป็นใหญ่แล้ตอนนั้นนะ่ะถ้าเอาโลภะเหตุเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และยังเป็นปัจจัยแก่รูปขันธ์ด้วยเห็นไหมรูปขันธ์ที่เป็นไปด้วยมากที่ความอยากความต้องการความปรารถนาในการที่จะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนนั้นเน่ยมีโลภะเป็นเจ้าเรือนแล้ว ไม้มพอโลภะเหตุเกิดขึ้นตัวเนี้ยก็ทํากรรมไปสิตัวเนี้ย่ทํากรรมอคนนอนทําทํากรรมด้วยโลภะได้ไหมอ่ะได้เดินทํากรรมด้วยโลภะได้ไหมอ่ะได้ยืนเรมต้นเนี่ยทํากรรมด้โลภะใช่ไหมทีนี้พอทํากรรมในลักษณะอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้รู้ว่าเออตัณหาเกิดแล้วสิเละเกิดแล้วเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่มียาตัาปริญญาเสียแล้วยาตัาปริญญาเขาบอกกาหนดรู้กําหนดรู้อะไร กำหนดรู้ปัจจัตลักษณะคือลักษณะของโลภะที่เกิดขึ้นในขณะที่ยืนเดินนั่งนอนอรู้เอือกนณะของโลภะรู้ลักษณะของโลภะที่เกิดขึ้นนั้นน่ะธรรมชาติของโลภะนี่มีความอยากมีความต้องการมีความยินดีมีความเพลิดเ พ, เพนนลนนนนนินในรมนะเพราะงั้นนะนั่นแหลความยินดีความเพลิดเพลินความต้องการในการยืนเดินนั่งนอนแล้วก็ทํากรรมในโลภะนี่แหละกรรมอันนี้แต่เป็นปัจจัยแกอะไรเนี่ยถ้านล่วงกรรมาบดเน่ยอบายทุกขติวิบัตินรกนะ ถ้าไม่ร่วมกรรมบทถ้าไม่ร่วมกรรมบทให้ผลในประวัติการ น, นี่แต่ถ้าร่วงผลใน ร, ร่วงร่วมกรรมบทให้ผลในปฏิสนธิการเนะียอย่างเนี้ยโอน่ากลัวแล้วเใช่ไหมตอนนี้เริ่มน่ากลัวแล้วขนาดฝันได้โลภะนี้ิย่าบทนอนฝันได้โลภะยังส่งผลในประวัติการได้กลวยกล่าวไปใหยในขณะที่ลืมลืมตามองเห็นยืนเดินนั่งนอนอยู่ใช่ไหม นี่เราก็เริ่มตัวแล้วแต่นี้่ต่อไปเวลาจะโกรธใครแต่ละคนยังไม่เอาแล้ว เ, เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งกระดูกแนขนคอใช่ไหมเริ่มคิดแล้วแต่เนี้เริ่มคิดตัวนี้นั้นแต่างว่าพิจารณาอย่างนี้ก็จะเริ่มเ้าเรียกว่าเริ่มรู้ชัดทีนี้ว่าโลภะเหตุใช่ไหมเจตสิกเป็นต้นหรือโลภะจิตเป็นต้นเที่ยงไหมไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงวายโยธาที่เกิดจากโลภะจิตโลภะเจตสิกหรือกรรมเกี่ยวกันด้านโลภะเป็นต้นก็ไม่เที่ยง